รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรงเท้าเรื่องเท้าวความเมื่อกลางปีพุทธศักราช2552เกิดมีกรณีที่ ท, ทราบคร่าวๆ ว, ว่าพระคึกฤทธิโสติพโลวัฒนาป่าพงได้นำพระในวัดของท่านสวดปาฏิโมก์ลดจาก227ข้อเหลือ150ข้อมา8ปีแล้ว ในฐานะที่พระคึกฤทธิ์โสถิพโลอยู่ในสายของวัดหนองป่าพงพระสงค์สายวัดหนองป่าพงเมื่อประชุมกันประจําปีได้ทราบเรื่องนี้ก็ได้มีมติให้พระคึกฤทธิ์ละเลิกการปฏิบัติของตนแต่พระคึกฤทธิ์ไม่ยอมแม้จะให้เวลาหนึ่งปีที่จะกลับเข้ามาถือปฏิบัติตามมติสงฆ์ก็ไม่ทำตามจึงถูกตัดออกไปจากสายวัดหนองป่าพง ความที่ว่านี้เล่าไปตามที่ทราบมาถ้ามีอะไรไม่แม่นยำท่านที่เป็นเจ้าของเรื่องหรืออยู่ในเรื่องโดยตรงอาจช่วยทำให้ชัดยิ่งขึ้นหลังจากเกิดกรณีนั้นในกลางปีพุทธศักราชส5งหแล้วราวหนึ่งเดือนอาตมาได้ทราบเรื่องจากพระอาจารย์บางท่านในสายวัดหนองป่าพงเมื่อได้อ่านเอกสารของทางวัดหนองป่าพงก็เห็นว่าประสงค์สายวัดหนองป่าพง ได้สืบค้นหลักฐานข้อมูลทางคัมพีร์และตรวจสอบคำแปลไม่อย่างเพียงพอและมั่นใจแล้วว่าพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกไม่ใช่กล่าวว่าสิกขาบทในพระปาติโมกมีเพียง150ข้อแต่มีเกินกว่านั้นท่านจึงได้มีมติดังที่ว่าข้างตน้นเมื่อเรื่องมีขึ้นควรเข้าใจให้โล่ง การที่พระครึกฤทธ์สวดปาติโมกลดจาก227ข้อเหลือ150ข้อนั้นท่านว่าเป็นพุทธวจนะโดยอ้างว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้มาในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐแต่ที่พระครึกฤทธ์อ้างนั้นที่จริงไม่ใช่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐแต่เป็นคำแปลภาษาไทยในพระไตรปิฎกภาษาไทย ที่แปลกออกมาจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐอีกทอดหนึ่งไม่ใช่ตัวจริงของเดิมในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเมื่อตรวจสอบดูพุทธวจนะในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐหรือไม่ว่าฉบับใดก็พบพระบาลีว่าในหนังสือมีการอ้างอิงถึงที่มาด้วยนะครับขออนุ ญ, ญาตข้ามการอ้างอิงผู้ที่สนใจจริงก็ หาบทความและหนังสืออ่านได้ปัจจุบันมีเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีในอินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับเมื่อตรวจสอบดูพุทธวจนะในพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐหรือไม่ว่าฉบับใดก็พบพระบาลีว่าสาธิกะมิทังพันเตทิยัตถสิกขาปทะสตังอันวัตมาสังอุทเทสังอาคัตฉติแปลเป็นภาษาไทยแบบยกสั์อย่างง่ายๆว่า พันเตข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญที่ยัตติสิกขาปทัสตังสิกขาบท150สาธิกะมิทังในที่นี้คือเท่ากับสาธิกังบวกอิทังในหนังสือเว้นจุดๆๆ จ, จุดไว้นะครับก็กลายเป็นสาธิกังบวกอิทังจุดจุ ด, จ, ดจุดนี้อาคาตัตติย่อมมาอุทเทสัง สู่อุเทศการสวดอันุทธรมาสังทุกกึ่งเดือนดูเฉพาะคำแปลภาษาไทยดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญสิกขาบท150จุดจุดจุดนี้ย่อมมาสู่อุเทศการสวดทุกกึ่งเดือนจุดพิจารณาหรือคำที่เป็นปัญหาขึ้นคือสาธิกังซึ่งที่นี้ว่างคำแปลโดยทำจุดจุดจุดไว้ ตรงนี้คือคำบาลีนี้พระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยคือฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยซึ่งปัจจุบันมีประมาณสี่ฉบับต่อชุดแปลเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยที่ครบชุดและเก่าที่สุดคือฉบับที่กรมการศาสนารักษาสืบมาซึ่งปัจจุบันย้ายตามมาอยู่ที่สำนักพุทธหรือไม่ไม่ได้ตามเรื่อง เริ่มจากที่รัฐบาลได้อุปถรัรมภ์คณะสงฆ์จัดพิมพ์ขึ้นเป็นพระไตรปิฎกภาษาไทยอนุสรณ์งานฉลอง25พุทธศตวตรรษพุทธศักราช2500ถือว่าเป็นฉบับหลวงหรือเป็นทางการแต่จะเรียกว่าอย่างไรก็ไม่เป็นฉบับสยามรัฐพระไตรปิฎกภาษาไทยที่สืบมาแต่พุทธศักราช2500คาแปลสะสมกันมานานชุดดังกล่าวนั้น แปลบาลีอันเป็นพุทธพจน์ตรงนี้ว่าสิกขาบท150ท้ทวนนี้ส่วนพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับอื่นๆซึ่งเกิดตามมาภายหลังและตามปกติมักแปลตามพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงนั้นในกรณีนี้บางฉบับก็แปลเหมือนฉบับหลวงแต่บางฉบับแปลว่าสิกขาบทที่สาคัญ1น0้บนี้บางฉบับนั้น ในที่ที่นำบาลีพุทธวจานะนี้ไปอ้างอีกแห่งหนึ่งแปลว่า150สิกขาบทที่สำเร็จประโยชน์นี้สาธิกังนี้เป็นคำบาลีในภาษาสามัญคำหนึ่งโดยทั่วไปในคำภีทั้งหลายจึงไม่ค่อยอธิบายแต่ก็จะเห็นว่าคำสาธิกังนี้มีความหมายตรงกับเท่ากับหรือในจำพวกเดียวกับสาธิเรก ที่แปลว่ามีส่วนเกินเปราะโรที่แปลว่ากวา่าอุดริงที่แปลว่าเพิ่มขึ้นไปบางทีมาด้วยกันเป็นชุดบางทีก็ใช้อธิบายกันสาธิกังคือสหบวกอธิกะแปลว่าพร้อมด้วยส่วนที่เกินมีข้อที่มากขึ้นไปหรือมีเศษบาลีพุทธวจนะตรงนี้จึงแปลว่า สิกขาบท150กับทั้งที่เกินออกไปนี้หรือแปลสั้นๆว่าสิกขาบท150มีเศษนี้อธิกาถาถึงจะไม่อธิบายสั์สาธิกังก็อธิบายความต่อไปว่าที่ตรัสไว้ดังนี้ทรงหมายถึงสิกขาบทที่ได้ทรงบัญญัติแล้วในเวลาที่พระวัชีบุตรทูลถามนั้นแล้วดีกาอย่างบอกต่อไปอีกว่าพุทธพจน์นี้ ตรัสตามจำนวนสิกขาบทที่ได้ทรงบัญญัติแล้วในเวลาที่ทรงแสดงพระสูตรนั้นแต่หลังจากนั้นมีสิกขาบท300มีเศษบาลีว่าสาธิกานิทเวสตานิท่านผู้ใดไม่ฟังอัธกถาดีกาก็ไม่เป็นไรเพราะตัวคำศัพท์ในบาลีพุทธวจานะนั้นชัดเจนอยู่แล้ว ก็เป็นอันว่าพระไตรปิฎกภาษาไทยแปลบาลีพุทธพจนี้พลาดหรือพลังเผลอไปเรื่องความผิดพลาดอย่างนี้ไม่ควรจะด่วนติเตียนท่านเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้อีกบ้างแต่มีข้อสังเกตไว้ที่หนึ่งก่อนที่ว่าสาธิกังเป็นคำบาลีในภาษาสามัญ น, นั้นมีอีกคำหนึ่งที่ก็สามัญด้วยและใช้บ่อยกว่ามากกว่าสาธิกังด้วย เป็นคำที่ควรพูดถึงเพราะมีรูปร่างคล้ายกันคือคำว่าสุทธิกังสุทธิกังแปลว่าล้วนมีใช้บ่อยที่คุ้นเช่นในสุทธิกะปาจิตติยังซึ่งบางทีก็แยกเป็นสุทธิกังและปาจิตติยังแปลว่าปาจิตตีล้วนไม่มีของที่ต้องสลั ล้วนกับท้วนไม่เหมือนกันก็จริงแต่ความเผลอเผลอเพลินเพบางทีก็มีได้บางทีท่านอาจจะนึกถึงสุดที่กลงในขณะที่สาธิกลงผ่านเข้ามาก็เลยพลังไปแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็เป็นอันว่าพลาดไปซึ่งบอกแล้วว่ามีเหตุผลที่ควรเข้าใจเห็นใจดังจะว่าต่อไปที่ว่านี้เป็นการเล่าเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552 ที่ดังอื้อแล้วเข้าใจว่าจะเงียบไปในสองปีต่อมาคราวนั้นอาตมาเองได้เกียดอธิบายเรื่องนี้ไว้จนถือว่าเสร็จไปจบไปแล้ว